ข้อปฏิบัติของศีลบารมีนี่นะมีอยู่สองอย่างคือวารีศีลศีลเกี่ยวกับการงดเว้นจากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายกับจารีศีลการประพฤติการปฏิบัติทั้งหลายในต่อจากครั้งที่แล้วคือว่าผู้ที่จะปฏิบัติรักษาศีลโดยเฉพาะพระโพ ธ, ธิสัตว์ที่ปฏิบัติรักษาศีลเพื่อโพธิญาณ น, นั้น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 แล้วมีคุณอย่างไรเศรษเนี่ยถ้าแบ่งประเภทแบ่งได้ไหมเศรษนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ได้ไหมเศรษนับห้าได้ไหมแปล ว, ว่าแบ่งประเภทจัดหมวดหมู่ของเศษได้ไหมแล้วเศษเหล่านั้นเนี่ยนะถ้ารักษาอะไรเป็นความเศร้าหมองเีษเนี่ยเศร้าหมองเพราะอะไรทําไมเศษจึงเศร้าหมองถ้าจะรักษาเีษให้บริสุทธิ์หมดจดศีษจะหมดจดได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะนั้นอันนั้นแหละก็เรียกว่า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 ท่านรู้นะว่าท่านจะต้องอยู่นานขนาดนั้นทนอยู่ขนาดนั้นจะว่าทั้งอยู่ทนทั้งทนอยู่ทั้งทั้งคู่ด้วยกันเรียกว่าเป็นคนที่ไม่น่ายในสงสาร ท, ทั้งทั้งที่เบื่อสงสารแต่ก็ยังอยู่อยู่อย่างนั้นแหละสี่อสงไขยแสนกลับนั้นมองการไกลมากเมื่อมองการไกลเนี่ยนะสำหรับคนที่เดินทางไกลๆเนี่ยสมมติาเดินทางไกลที่จะต้องใช้ทรัพย์มาก เดินทางไกลเนี่ยต้องใช้ทรัพย์เป็นสเสบียงทางเนี่ยยาวกับข้างทางเนี่ยนะมีโจรดักปล้นตลอดแต่เป็ น, ปนโจรแบบอะไรนัรูดรั์แบบเรียกว่ามอมเมาก่อนแล้วค่อยค่อยเอาซั์ไปเนี่ยนะคล้ายๆกว่าเดินผ่านร้านร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็เอายาผสมยานอนหลับให้กินแล้วก็รูดทรัพย์ไปหมดเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยให้เดินทางต่อไปอชั้นใดเนี่ยนะผู้ที่เขาพิจารณาโทษภัยของกามทั้งหลายก็ลักษณะนั้น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 จึงจะชักนำผู้อื่นให้ออกจากภพได้มันจะต้องอาศัยคุณธรรมคือมีกรุณาอย่างอย่างจริงๆเนะี่ยมีกรุณาที่ที่แท้จริงและก็ดีเยี่ยมโดยอาศัยการปฏิบัติ ด, ดีของตนจริงๆ จ, งจึงจะสามารถชักนำให้ผู้อื่นพ้นจากทุกได้แต่นั่นก็เป็นเรื่องของการุณาและเป็นคุณธรรมที่เกิดจากปัญญาเนี่ยนะนะตัวอีกครั้งนะ่ะเนคขมะบา ร, รมีคืออะไรเนคขมะคือกุศลจิต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 ในไม่กี่ปีเนี่ยนะตายเกือบล้างเกาะก็เหตุผลก็คือกาเมสุมิชฉาจารย์มันระบาดมากเพาะนันก็โรคโรคโบรนาณเนี่ยนะเรียกว่าโรคกลุ่มโรคติดเชื้อกามาโรคมันติดพันกันสัมพันธ์กันตายกเกือบหมดเกะาะเหมือนกันเพาเหตุผลว่านโทษของกามเนี่ยนะน่าปรารถนาในเบื้องต้นน่าเพลิดเพลินในเบื้องต้นก็จริงแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ติดตามมา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 ตอนหลังบัประชิตที่เรียนแบบคาราวาสก็ถือว่ากลุ่มคาราวาสตากันแล้วกันฝันในเพศของคาราวาสเหล่านี้เนี่ยไม่มีโอกาสในการสแสวงหาความสุขจากเนกคขมมะคือบุญกุศลได้เคยได้ยินไหมคาราวาสผู้สแสวงหารูปเสียงธรรมมาค้าขายเป็นต้นมีความสุขอยู่ด้วยกุศลอาจจะมีบ้างแต่ว่าแหมมันอาจจะหนึ่งในล้านอย่างเงี้ยที่มีความสุขอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่า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 อร่อยก็จริงแต่ว่าผสมพิษเนี่ยนะถ้าพิษเหล่านั้นมันกำเริบตอนปลายจะเป็นอย่างไรฉั้นคนที่จะเจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะต้องเห็นเลยว่าคารวาสเนี่ยนะมันยากที่จะหาความสุขในกุศลจะหาความสุขที่เกิดจากอกุศลเนี่ยพอได้ใช่เครียดเียดเปิดเพลงฟังสักเพลงนึ เ, เขายังชั่วหน่อยเพราะงั้นตามต่อไปอีกอนะหลายแห่งเนี่ยเขามาว่าเอ๊ะทำไมเขาอยู่ได้แดดก็ร้อนก็ร้อน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 เบื้องต้นก็เป็นสุขเบื้องปลายก็เป็นสุขแต่เป็นความสุขที่คนบอดทั้งหลายโดยมากไม่นิยมเนีนะเป็นความสุขที่คนผานทั้งหลายไม่นิยมทีนี้หมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถือเอาคําของคนผานเป็นประมาณเช่นบอกว่าโอ้ศึกษาธรรมะเนี่ยนะคนพานตําหนีหน่อยก็เกรงใจคนผานเพราะชีวิตที่เต็มไปด้วยความเกรงใจของคนผานเกรงใจคนชั่วก็เลยตัวเองไม่มีความสุขในการเจริญกุศล เพราะคอยแต่หวาดระแวงว่าคนพาลก็จะตะําหนิกลัวคนพาลจะตําหนิก็เรียกว่าแครเกรงใจคนพาลมากผลก็สรุปทบทวนนะว่าเป็นคารวาสยากที่จะหาความสุขในกุศลไม่เหมือนกับบรรพชิตทั้งหลายโดยมากสา ม, มารถที่จะสแสวงหาความสุขบุญกุศลในทั้งวันเคยได้ยินไหมว่าเป็นคารวาสและมีความสุขทั้งวันด้วยกุศ ล, ลจิต แต่ถ้าบัประชิตถือว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะถ้าบรณประชิตเหล่าใดไม่มีความสุขกับบุญกุศลแสดงว่าบรณประชิตคนนั้นมีอัธยาศัยคารวาสเนี่ยนะเพราะถ้าถ้าไม่มีความสุขอยู่ในบุญกุศลในสมะถะและ ว, วิปัสสนาก็แสดงว่าอนาคตบัประชิตผู้นั้นจะเป็นคารวาสเพราะอะไรเพราะไม่มีอัธยาศัยแห่งบรณประชิตเนี่ยนะทีนี้ความอริยะอร่อยที่เกิดจากการบริโภควัตถุกรรมพระองค์บอกว่า ความอร่อยหรือความใคร่เนี่ยนะเรศอร่อยเหล่านั้นก็เหมือนกับลิมเลียหยดน้ำพึ่งที่ติดอยู่บนคมมีดเรียกว่าน้ำพึ่งในมีดโกนเนี่ยนะแค่ว่าเลียแผลหนึ่งเข้าไปเนี่ยน ะ, อะตอนแรกไม่แมคื อ, ค, อคือมันคมมากใช่ก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยบมีบาดแผลก็เลยคิดถึงแต่ความหวานพอกลืนความหวานหมดไปควา ม, มคมขื่นทั้งหลายก็ตามมาเนี่ยนะ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 มีวัตถุกรรมเหล่าไหนาบ้างที่ไม่ฉาบทาด้วยตัณหาเนี่ยนะไม่ฉาบทาด้วยสมุทัยสัตว์ไม่ฉาบทาด้วยเหตุแห่งสังสารทุกข์มีวัตถุกรรมไหนบ้างมีไหมไม่มีมีวัตถุกรรมไหนบ้างที่ไม่ฉาบทาด้วยมิจฉาทิฏฐิเพราะโดยมากเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายก็ถือว่าการบริโภควัตถุกรมไม่มีโทษดันั้นวัตถุกรรมนั้นจึงฉาบทาด้วยมิจฉาทิฐิโดยมากเพราะถือว่าการรมไม่มีโทษ ผัสผู้ใดที่ถือว่ากรรมไม่มีโทษจะมีอะไรนอกจากมีจิตใจที่หมกมุ่นอยู่ในกรรมผู้ใดหมกมุ่นอยู่ในกา ม, ม, ก, ม, ก, ามกามมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีมหาภูตารูปเป็นเหตุใกล้แล้วมหาภูตารูปเนี่ยนะธาตุดินเนี่ยนะใครรู้จักธาตุดินน้อยไปเนี่ยนะถ้าธาตุดินมันกำเริบเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนถ้ารู้จักธาตุน้ําเป็นอย่างดีถ้าธาตุน้ํามันกำเริบเป็นยังไง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 ขณะเดียวกันวัตถุกรรมทั้งหลายโดยมากเศร้ามองด้วยกายะทุจริตเศร้ามองด้วยวจีทุจริตและก็เศร้ามองด้วยมโนทุจริตเราถามหาดูว่าวัตถุใดบ้างในโลกนี้ที่ไม่แปดเปื้อนด้วยการทุศีลเลยอนะฮะในรกระบวนการผลิตทั้งหมดตลอดสายจนได้ใช้สอยเนี่ยนะไม่แปดเปื้อนกับการทุศีนเคยพบเคยเห็นเคยได้ยินไหม เคยเห็นไหมว่ามีสิ่งหนึ่งนะไม่แปดเปื้อนกับการทุ่มสิมาเลยเคยได้ยินไหมมหาพูดในโลกนี่ยากเนี่ยนะเขาบอกโอ้เนี่ยแว่นตาที่ไม่แปดเปื้อนด้วยการทุ่มสิลเลยบอกไมากว่าจะเป็นแว่นตาเนี่ยนะผ่าลูกตามากี่คู่เนี่ยนะกว่าจะมาเป็นตัวยารักษาโรคแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยนะผ่านการทดลองมาเท่าไหร่กว่าจะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยนะวงการเสื้อผ้าก็ไม่ได้ไปจะสูจริตอะไรมากมาย พันไม่ทุจริตด้วยกายกรรมก็วัจีกรรมไม่วจีกรรมก็มโนกรรมเขาเรียกว่าแปดเปื้อนด้วยความเศร้าหมองทั้งสิ้นความเศร้าหมองมีสามตัวเศร้าหมองด้วยตันหาเศร้าหมองด้วยทิฏฐิแล้วก็เศร้าหมองด้วยทุจริตกรรมทั้งหลายพันวัตถุกรรมทั้งหลายมันแปดเปื้อนด้วยตันหา8ดเปื้อนด้วยทิฏฐิแล้วก็แปดเปื้อนด้วยทุจริตทั้งความชั่วทางกายวาจาและใจ